ภาษาแล้วก็เสร็จกะถิ่นพระสงฆ์ก็จาริกันไปที่อื่นพระก็มีน้อยลงญาติโยมก็บางตากว่าเดิมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหงาไปบ้างนะที่บรรยากาศามีผู้คนบางตาลง แต่ที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีนะประมาณเนี่ยพฤศจิกา ย, ยนเนี่ยปลายฝนต้นหนาเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดนะในรอบปีมันมีเวลาแค่ช่วงเดือนหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะว่าความชื้นความแช่ก็หายไปอากาศก็เย็นสบายแต่ก็ไม่ถึงกับหนาว ถ้าเลยจากเดือนนี้ไปก็จะหนาวแล้วยินสบายนะกลางวันก็ไม่ร้อนมีลมพัดแผ่ ว, ผว au, ๆเบาๆแมลงเช่นยุงนะที่เคยมีชุกชุมนะในช่วงหน้าฝนก็ค่อยลดน้อยอากาศก็ธรรมชาติก็ดีสวยนะทั้งช่วงเช้าตรู่นะเพราะไม่มีเมฆบดบัง นะถ้าอากาศดีๆก็เห็นนะพระอาทิตยนะ์ดวงสีแดงโตกลางคืนก็เห็นดาวเห็นพระจันทร์ได้ชัดเจนเป็นช่วงที่ฟ้าสวยที่สุดนะของปีเนียปลายฝนต้นหนาวธรรมชาติก็เขียวถ้าผลจากเดือนนี้ปันก็เริ่มลนะเริ่มแห้งเริ่มเหลืองฝุนก็เริ่มเยอะนะ หมอกการปฏิบัติมากนะคนก็น้อยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าคือสิบนยะี่สิบปีที่แล้วคนน้อยมากนะอาจจะมีพระแคบสามสี่ห้ารูปนะโยมอีกสี่ห้าคนก็เป็นช่วงที่หมอกการปลีกวิเวกนะหมอการปฏิบัติ อันที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้นะก็ให้ได้ใชไ้ได้ใช้ประโยชน์นะจากช่วงที่ดีที่สุดของปีเนี่ยนะเพื่อการปฏิบัตินะเป็นการมาเรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจของเราหน้าที่ของเราชีวิตของเราก็คือการเรียนรู้นะไอ้ที่เคยเรียนรู้มามันก็มีประโยชน์แต่ยังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อีกเยอะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะต่อชีวิตจิตใจของเราการเรียนรู้ของคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยการประสบการสัมผัสเป็นหลักอันนี้มันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์นะตั้งแต่เกิดมาเราไม่ได้เรียนรู้เพราะใช้ความคิดนั่นมันมาทีหลังเราเรียนรู้จากการที่ได้มีประสบการณ์ได้ประสบพบเจอ ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กนะก็ว่าได้เรียนรู้เองนะจากการประสบสัมผัสเช่นตอนเด็กๆตอนเป็นทารกเราไม่รู้จักความร้อนเราไม่รู้จักไฟเราไม่รู้ว่าไฟนี่มันมีอันตรายอย่างไรบ้างจนกว่ามือเราจะได้สัมผัสกับเปลวไฟหรือว่าได้สัมผัสกับน้มร้อนเดือดนะ แม้แต่เจ็บแต่นั่นก็คือความรูนะ้เป็นความรู้ที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะแต่มันก็จะประทับไปในสัญญาว่าไฟเนี่ยนะอันตรายไฟนี่ร้อนน้ำร้อนเดือดก็ต้องระวังอย่าเข้าใกล้กลารเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อได้ประสบสัมผัสหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้ผ่านการ ได้ยินได้ฟังแล้วก็จากการอ่านนะเมื่อเริ่มอ่านออกเขียนได้อันนั้นตามมาทีหลังถ้าเราไม่เจอไม่ประสบไม่สัมผัสนะการเรียนรู้ก็ไม่เกิดนะอันนี้มันเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นนะกับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เรียนรู้ได้เพราะการได้ประสบได้สัมผัส ถ้าไม่เคยเจออะไรเลยและเจอครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกนะว่ามันมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรบ้างสมัยที่ชาวดาวินเนี่ยนะเขาไปเจอเกาะเกาะหนึ่งนะชื่อเกาะกาลาปะกอสชาวดาวินนี่หลายคนคงรู้จักนะเป็นนักพฤติศาสตร์เมื่อสองรกว่าปีที่แล้วนะเขาเป็นคนค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการ แล้วเขาก็เลยรู้อะไรมากจากเกาะเกาะนี้นะกลัปกอสก่อนนี้มันอยู่แถวอเมริกาใต้ไกลาจากทะเลมากไกลาจากฝั่งมากไม่เคยมีคนขึ้นไปบนเกาะนี้เลยแล้วประวัติศาสตร์เานี้เนี่ยแต่นบนเกาะนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเจอในในที่ต่างๆหรือว่าสถานที่ทั่วไปก็คือมันไม่กลัวคนนะ มันไม่กลัวคนคนนี่สามารถจะเข้าไปประชิดติดตัวเลยด้วยซ้ําแม้กระทั่งสุนักจิงจอกเนี่ยซึ่งมันมีที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันมีสัญชาติญาณระแวงไัยมากเจ้าเล่แต่ว่าสุนักจิงจอกที่ก่อกระรับประกอ้อนนี่มันยอมให้คนนี่เข้าไปใกล้ไม่ใช่แค่ไปใกล้เฉยๆนะแม้กระทั่งเอาค้อนตีหัวมันมันก็ยัง ยังไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังเลยนะทาอย่างนี้ไม่ได้นะกับกับไก่นะไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงว้เนี่ยเราแค่เราเข้าไปใกล้มันก็หนีแล้วนะแต่ว่าสัตว์ในเกาะกระปะกอสเนี่ยมันไม่มันไม่กลัวคนเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักคนมันไม่รู้คนเนี่ยมีอันตรายหรือเปล่าทําร้ายมันได้ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยเจอ มันไม่เคยเจอมาเลยเป็นเวลานะเรียกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วมั้งมันก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้ทําอันตรายมันได้แล้วก็พบว่านว่าในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมีคนต้องข้อสังเกตว่าทําไมสัตว์ขนาดใหญ่มันถึงสูญพันธุ์ไปอย่างมากมายนะถ้าไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะในขณะที่ทวีปอื่นในเช่นแอฟริกาใต้แอฟริกาเนี่ย มีสัตว์ใหญ่เยอะเช่นช้างนะหรือว่าแรฮิปโปแล้วก็เขาก็มีคำอธิบายว่าเป็นเพราะว่าสัตว์ในทวีปนั้นเนี่ยมันมันไม่เคยเจอคนเลยเป็นล้านเป็นล้านปีก็ได้เพราะว่าไม่มีคนอพยพไปที่นะั่นจนกระทั่งเมื่อหมื่นห้าพันปีที่แล้วนคนก็อพยพจากเอเชียนะสมัยนั้นเนี่ยเดินข้าม เดินข้ามกันได้นะเพราะว่าน้ําทะเลมันต่ําก็เดินข้ามจากไซบีเรียเนี่ยไปที่อเมริกาเหนือแล้วก็ลงมาคนเหล่านี้เนี่ยมาพร้อมกับอาวุธนะมีฉมวกมีหั่วหอกพอเจอสัตว์เหล่านี้เนี่ยสัตว์เหล่านี้มันไม่เคยเจอคนมันก็ให้คนเข้ามาใกล้ๆแล้วคนก็เลยนะใช้ฉมวกใช้ธนูยยิงมันฆ่ามันตาย ก็เลยาตายเป็นเบื่อเลยเพราะว่ามันไม่เคยเจอคนมันก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้น่ากลัวอย่างไรนะีก็เลยสูญพันธไปอย่างรวดเร็วตรงข้างแอฟริกานี่มันก็น่าแปลกนะคนก็อยู่ที่ทวีปแอฟริกามานานแล้วพราะกําเนิดที่นั่นทําไมอยู่กับคนมานานถึงไม่สูญพันมากมายอันนี้ก็ดูเหมือนขัดแย้งกันที่จริงมันมันมีเหตุมีผลนะเพราะว่าการที่มันอยู่กับคนมานานมันก็รู้จักคนไง มันกลัวมนุษย์นี่อันตรายสันก็เลยมีปลูกฝังความกลัวไว้ในสัญชาตญาณเจอคนเมื่อไหร่มันก็หนีมันก็พยายามวางระยะแล้วก็ปรับพฤติกรรมต่างๆที่ทําให้สามารถจะอยู่รอดได้คือถ้าเจอมนุษย์นานๆเนี่ยก็มีโอกาสอยู่รอดได้มากถ้าไม่ค่ยได้เจอมนุษย์ก็มีโอกาสสูญพันธุ์ได้เร็วการที่ได้เจอมนุษย์นานๆเนี่ยมันทําให้เกิดการเรียนรู้ ว่ารู้ว่ามนุษย์นี้นอันตรายไว้ใจไม่ได้แล้วมนุษย์นี้ก็มีอาวุธนะที่ยอมไม่เข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ก้อนหินคว่างไม่ได้ไปปุกปั้มกับมันแต่ว่าใช้หอกใช้ใช้ธนูเนี่ยมันเรียนรู้ได้นะสัตว์เนี่ยก็ทำให้มันรอดตายสามารถจะสืบเผ่าพันุ์ไปได้ ถ้าไม่เคยเจอเลยนี่ก็อันตรายคนก็เหมือนกันนะคนนี่ก็ตายเป็นเบื่อเหมือนกันนะจากการที่ไม่เคยเจอเชื้อโรคบางชนิดพอเจอเข้าไปทีเดียวเนี่ยล้มตายเป็นเบื่อเลยตายเพราะหวัดนะคนในอเมริกาใต้เนี่ยแข็งแรงนะแต่ว่าพอชาวยุโรปเนี่ย หลั่งไหลเข้าไปทําอนันติคมณนะที่อเมริกาตายเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วอคนยุโรปนี่ก็เอาหวัดติดตัวไปด้วยหวัดนี่มันไม่ได้ทําให้คนยุโรปตายนะแต่ว่าคนพื้นเมืองในอเมริกาตายนี่ล้มตายเป็นเบือเลยเพราะหวัดเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจอเมื่อไม่เคยเจอก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่มีความรู้ว่าไอ้เชื้อโรคเหล่านี้นี่มันอันตรายนะี่ยพอเจอเข้าไปทีเดียวตายเลย เพราะว่ายอมให้เชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาทำร้ายร่างกายส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยคือคนในยุโรปเนี่ยเจอหวัดมาจนกระทั่งร่างกายมันรู้ว่าไอหวัดเนี่ยแอตายก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเลยไม่เป็นอะไรคนยุโรปไม่เป็นหวัดแต่ว่ากลับตายพัซซิฟิลิสนะที่ติดมาจากคนพื้นเมืองในลาตินอเมริกาหรือในอเมริกาใต้ คนพื้นเมืองไม่เป็นอะไรนะซิฟิลิตน่ะมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าคนยุโรปนี่เจอครั้งแรกนี่ก็ตายกันตายกันนะทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาใต้แต่ก็ไม่ตายเป็นเบือนะแบบวัดเพราหวัดนี่มันติด ก, กันง่ายนะแต่ซิฟิลิตนี่หรือกับมาโรคหนองในนี่มันมันไม่ให้ติด ก, กันพร่ำเพรื่อคนเราเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้เจอเชื้อโรคอะไรเลยนะ เจอครั้งเดียวตายเลยนะเช่น Ebola, อีโบล่าเงี้เป็นต้นอีโบล่า HIV HIV เจอก็ตายไม่งั้นแต่ว่าอาจจะใช้เวลานา น, านหน่อยไม่เร็วเหมือนอีโบล่าเน้นการที่คนเราเนี่ยนะไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยไม่เคยเจอเชื้อโรคเนี่ยมันเสียงมากนะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นในร่างกายเรามันมีการเรียนรู้ตลอดเวลาขอให้ได้ประสบได้สัมผัสเช่นเท้าเราเนี่ยนะ เท้าของเด็กเนี่ยตะ่านก็นุ่มนะแต่พอเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเนี่ยเท้ามันสัมผัสกับพื้นดินพื้นดินมันสากนะมันมีหินมันมีกรวดทิ่มเท้าเราก็พัฒนานหนังเท้าขึ้นมาให้มันหนานคนที่เดินเท้าเปล่านเนี่ยหนังก็จะด้านเท้ามันเกิดการเรียนรู้นะว่ามันต้องอทำให้หนังด้านขึ้นเพื่อว่าจะได้ไม่ เจ็บไม่ปวดหรือว่าไม่เกิดแผลขึ้นมาส่วนเท้าของผู้ดีนะเท้าคนรวยนะไม่ค่อยได้เหยียบพื้นเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับหินไม่ค่อยสัมผัสกับกรวดทรายแถมเวลาเดินไปไหนในบ้านก็มีรองเท้ามีอถุงเท้านะมันก็ไม่เกิดการปรับตัวนะเท้าก็นิ่ม ก็ดูสวยนะแต่ว่าเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดไปเข้าป่าหรือลอนแรมในทะเลทรายเนี่ยเท้านี่ก็แตกเลยหลายคนมาเดินธรรมยาตราเนี่ยนะแค่สองสมวันแล้วก็แตกแล้วเพราะว่าเท้าเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยมีการปรับตัวนะไม่มีการเรียนรู้และที่ไม่เรียนรู้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสนะกับพื้นดินนะ ในการการสัมผัสหรือว่าการมีประสบการณ์หรือการเจอเจอเนี่ยนะไม่ว่าทางตาทางหูหรือทางกายนี่มันทำให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคนเราถ้าเจอโลกบ่อยๆก็เกิดการเรียนรู้พอเจอโชอลกแล้วล้มป่วยขึ้นมาเพราะไม่เคยเจอถ้าไม่ตายนะก็จะเข้มแข็งขึ้นเช่นคนที่เป็นไข้ทรพิษนะ เจอไข้ทรลพี่เขก็ล้มเลยนะบางคนตายแต่บางคนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะไม่เป็นอีกเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันละหวัดก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นหวัดเป็นแล้วนี่ยครั้งที่สองไม่เป็นละแต่อาจจะแต่ถ้าเจอหวัดตัวใหม่ก็ป่วยนะร่างกายมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อได้เจอได้สัมผัสแต่มันมีสิ่งหนึ่ ง, น, งนะที่น่าแปลกนะก็คือว่า เวลาคนเราเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเช่นความโกรธนะความเกลียดความหงุดหงิดความเครียดความเศร้าเจอแล้วเจออีกคนเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยนะมันแปลกมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้จากการที่ได้ประสบสัมผัสเราเรียนรู้มากมายจากการประสบสัมผัสการการเจอเจอไม่ว่าเชื้อโรค ไม่ว่าความยากลำบากไม่อุปสรรคต่างๆเราเรียนรู้ได้แต่อารมณ์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแถมกลับโกรธง่ายนะถ้าเกิดว่าเจอความโกรธเจอบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยน่าจะเรียนรู้แล้วก็ฉลาดในการรับมือความโกรธ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปคือว่ายิ่งอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็กลับยิ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นถี่ขึ้นไม่ไว่าจะเป็นความโกรธความเศร้ารความท้อแท้เนี่ยมันน่าคิดนะว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงไม่เลยรู้จากในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆแล้วคนบางคนเนี่ ย, ยิ่งมีอายุมากเนี่ย เจอความโกรธมาทั้งชีวิตเนี่ยอายุประสบการณ์นี่ไม่ได้ช่วยทำให้โกรธน้อยลงนะกลับโกรธมากขึ้นยิ่งอายุมากกับโกรธมากขึ้นแล้วโกรธมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายเลยนะเป็นทุกข์นะทุกข์กว่าเดิมทำไมคนเราเนี่ยไม่เรียนรู้นะจากการที่ได้เจอกับอารมณ์ที่มันเป็นลบครั้งแล้วครั้งเล่า เราน่าจะเรียรู้นะก็คือรู้ทันมันรู้ทันมันรู้จักมันดีขึ้นรู้ทันมันได้ไวขึ้นหรือว่ารู้ทางมันนะเพียงแค่เห็นเพียงแค่มันโผล่มาแต่กายนี่ก็รู้ทางแลนะ้วอย่างสัตว์เนี่ยอย่างกวางเนี่ยนะหรือว่าพวกสัตว์ในป่าเนี่ยเพียงแค่เห็นคนมาไกลไกนี่มันก็เริ่มขยับแล้วมันก็เริ่มไหวตัวแล้ว นะแล้วมันก็รู้ทางมนุษย์นะพอมันเรียนรู้แต่คนเราเนี่ยทำไมถึงไม่ไม่รู้ทันไม่รู้ทางเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นความโกรธเป็นต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีก็โกรธขึ้นมานะมันมันโผล่มาแบบเ บ, บ, บาๆ า, าก่อนเช่นอาจจะเป็นความไม่พอใจเป็นความหงุดหงิดแล้วมันก็ลามเป็นความโกรธไม่ใช่ว่าอยูๆ่ๆมันจะระโกรธ ตูมตามนะไอ้ที่โกรธตูมตามหรือว่าประเพศจี๊ดเนี่ยนะมักจะเป็นพ่อกดเอาไว้กฎคมเอาไว้นะหรือว่าเจอซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วจกนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันก็เลยจี๊ดนะโกรธจี๊ดขึ้นหัวหรือว่าระเบิดโวยวายติออกมาเลยแต่คนเราทุกคนเนี่ยนะก็เวลาเจอความโกรธมาทั้งชีวิตเจอความเศร้ามาทั้งชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย พอเจอมันทีไรเสร็จมันทุกทีพอมันมาทีไรถูกมันครอบงำทุกทีทำไมเราไม่ฉลาดนะในการรับมือกับมันในเมื่อเจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจอมันซ้ำแล้ ว, ซ, ลวซ้ำเล่าแต่แทนที่เราจะฉลาดในการรับมือกับมันในการที่จะรักษาจิตรักษาใจไม่ให้มันครอบงำนะเกราว่า อ, อารมณ์เหล่านี้กลับฉลาดมากกว่าในการ ครอบงมแล้วก็บงการจิตใจของเรานะยิ่งเกิดบ่อยยิ่งเกิดบ่อยเนี่ยมันยิ่งฉลาดนะแล้วก็มันสามารถจะเล่นงานจิตใจเราได้ได้ถี่ขึ้นได้เร็วขึ้นทาไมคนเราเนี่ยถึงไม่เรียนรู้นะอันนี้ก็เป็นเป็นคำถามนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราเราเราฉลาดนะแล้วเราก็เฉลียวนะ อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดบ่อยๆเนี่ยมันกลับดีนะมันทำให้เราเรียนรู้เรียนรู้จักมันมากขึ้นนะจริงธรรมชาติเนี่ยให้ให้สติแก่เรานะในการที่จะช่วยให้เรารู้ทันให้อารมณ์เหล่านี้ธรรมชาติไม่ได้ให้ตาเพื่อมองเห็นอันตรายจากภายนอกไม่ได้ให้หูมาเพื่อได้ยินเสียงที่อาจจะคุกคามเรา ไม่ได้ให้ลิ้นมาเพื่อจะได้รู้สัมผัสว่าไอ้ของที่เรากินเนี่ยหรือผลไม้ที่เราลิ้มเนี่ยมันมีพิษหรือเปล่านะแต่ว่าธรรมชาติยังให้ตาในกับเราด้วยนะั่คือสตนะิสติเพื่อที่จะได้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่จริงถ้าเราใช้มันบ่อยๆนะเราจะเราจะรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้ไว นะเพียงแค่ตากระทบรูปเกิดความไม่พอใจขึ้นมาหรือว่าใจเรื่องกับเพื่อนขึ้นมาเนี่ยสติมันก็ทำให้จิตไหวตัวแล้วสติมันไหวตัวเลยนะว่าอ่ามาแล้วนะเหมือนกับกวางที่มันระแวดระวังนะเพียงแค่เห็นหรือได้ยินเสียงนะยังไม่เห็นตัวคนเลยแค่เห็นเสียงเนี่ยนะมันก็เตรียมวิ่งลนะ มันไหวตัวทันถีที่ได้ยินเสียงแม้จะยังไม่ทันเห็นตัวสติก็ทําหน้าที่นั้เหมือนกันนะพอใจเริ่มกระเพิ่มนะแล้วก็เริ่มจะไม่พอใจเนี่ยสติมันรู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยนะออารมณ์พวกนี้มันจะเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้จิตเนี่ยสามารถจะสลัดอารมณ์เหล่านี้ทิ้งได้เลยหรือว่าหลุจักอารมณ์เหล่านี้ได้อานักปฏิบัติเนี่ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมองนะว่าเวลาเกิดอารมณ์พวกเนี่ยซึ่งเรียกรลมร้อนนิวร น, นะนิวรณห้าไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดขุนเคืองไม่ว่าจะเป็นความอพอใจในการมาสุขในรถอร่อยนะหรือว่าความง่วงงาหอนอนความฟุ้งซ่านความรังเลสงสัยไอ้วพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราครั้งแล้วครั้งเราแต่หลายคนก็หงุดหงิดนะ ไม่พอใจเวลามันเกิดขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราตั้งหลาให้ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทีไรเราได้เรียนรู้จากมันทุกทีนะถ้ามันไม่เกิดสิแปลกแล้วถ้ามันไม่เกิดสิอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่เกิดการเรียนระู้อย่างที่บอกว่าเราคนเราเนี่ยเรียนรู้จากการได้ประสบสัมผัสไม่ใช่จากการคิดเอา คิดว่าจะรับมือความโกรธยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาเจอความโกรธจริงๆนะแต่พอเจอความโกรธจริงๆเนี่ยสติเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับมันได้แล้วเราก็จะสามารถจะเรียนรู้นะจากอารมณ์เหล่านี้ได้นะ <bus> เราเรียนรู้นะจากมันเส ม, มือนกับ ว, ว่ามันมาให้เราได้ศึกษาให้เราทําใจแบบนี้นะนักปฏิบัติเนี่ยเวลาอารมณ์พุที่มาเนี่ยมันมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ให้เราได้ฉลาดขึ้น ได้เลยรู้ว่ามันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็หายไปนะมาแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปได้เลยรู้ว่ามันไม่ได้มาลอยลอยมันมีเหตุนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยในขั้นที่สามนี้เราจิตตามนุปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในใจนะแต่ว่ายังรู้ต่อไปด้วยว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร แล้วก็มันดับไปเพราะเหตุใดอันนี้ก็จะนาไปสู่การที่เห็นธรรมในธรรมนั่นถ้าเราถ้าเรามีมันสังเกตนะเราก็จะเห็นนะเห็นธรรมชาติของมันแล้วถ้าเราเห็นธรรมชาติของมันนั่นคือเราเกิดการเรียนรู้แล้วเราฉลาดขึ้นแล้วนะความฉลาดนะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้าจากการสังเกตนะสังเกตอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น จะไปหัวเสียนะเวลามันเกิดความฟุ้งซ่านจะไปงดหงิดนะเวลาเกิดความโกรธหรือว่าเกิดความความง่วงเงาหอนอนกระวงกระ ว, วายนะให้ตั้งให้ตั้งให้ตั้งสติหรือว่าวางท่าทีให้ถูกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อให้เราได้เรียนรูนะ้ให้เรารู้จักว่ามันมีอุบายอะไรมันมีนะมันมีเลขกลนอย่างไรบ้าง ก็ขนาดสัตว์เนี่ยมันยังเรียนรู้ได้เลยนะจากการที่เจอคนนะครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าเจอศัต ร, ตรูของมันสัตว์มันก็ไม่ได้มีความฉลาดอะไรนะแต่มันไม่เคยปล่อยให้ประสบการณ์ทุกอย่างผ่านเลยไปนะมันเจอคนครั้งแล้วครั้งเล่ามันฉลาดขึ้นนะหรือว่าพวกลิงเนี่ยมันเจองูครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยทํามไม่ตายแต่มันฉลาดขึ้น เราก็น่าจะฉลาดขึ้นเหมือนกันนะเวลาเราเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาลุกรานจิตใจแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลับโง่ลงนะก็คือว่าปล่อยให้มันเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวเสร็จแล้วก็ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อตั ว, ตวเองหรือทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเช่นเวลาเกิดความโกรธก็หลุดปากดา่าหรือแม่ก็ทําลายข้าวของหรือแม่ก็ทําลายน้ําใจ หรือถึงกับทำร้ายร่างกายคนอื่นเผอิญทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายชื่อตัวเองด้วยอะไรทำให้คนเราโง่ยอย่างนั้นนะไม่เรียรู้จากประสบการณ์นะมนุษย์เราเนี่ยนะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะจากประสบการณ์ต่างๆ่ า, านะอย่าไปมองว่าไออารมณ์ฝ่ายลบหรืออกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่นะถ้ากครคิดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ายัง หนีไม่พ้นอำนาจของมันแล้วก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าลก็ยังใช้วิธีเดิมนะที่บลโบราณก็คือพยายามกดข่มมันเอาไว้กดข่มมันเอาไว้กัดฟันเอาไว้วิธีนี้ก็มีประโยชน์แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าเราเรียนรู้นะจากประสบการณ์ของเราแล้วก็จะรู้ว่าเพียงแค่รู้ทันมันนะด้วยสติเนี่ยนะมันก็ เหมือนกับโจรที่แอบเข้าบ้านและพอเจอเ จ, อเจ้าบ้า น, นมันก็หนีไปและยิ่งถ้าเราเรียนรู้กับเรียนรู้จังมันมากขึ้นจะเกิดปัญญาเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของมันนะรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่สิ่งที่ผุดขึ้นมาเพียงแค่มันถูกรู้เท่านั้นเนี่ยมันก็ไปแล้วหรือเพียงแค่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ยึดถือได้เนี่ย มันก็ไม่มีพิษสงไม่มีอำนาจเวลาที่ผ่านไปประสบการณ์ที่ยาวนานและการที่ได้เจอมันบ่อยๆเนี่ยมันต้องทําให้เราฉลาดขึ้นไม่ใช่ทําให้เราโง่ลงหรือไม่ใช่ทําให้เราทุกข์มากขึ้นนะมันก็น่าเสียใจแล้วก็น่าแปลกแล้วนะทําไมนะคนบางคนยิ่งแก่ยิ่งโกรธคนบางคนยิ่งแก่นะก็ยิ่งเศร้าซึมนะทั้งที่เจอกับอารมณ์พวกที่มาทั้งชีวิตควรจะฉลาดขึ้น ฉลาดคือว่ารู้ทางรู้ทันมันแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงําใจแต่กลายเป็นว่ามันฉลาดกว่าเราแทนที่เราจะฉลาดกว่ามันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็น่าจะพวกเราได้ตั้งคําถามนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนี่ยการการที่เราจะฉลาดขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยมันอาศัยการประสบหรือการสัมผัสหรือว่าการเจอเจอบ่อย นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอานะตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดแต่เราอาศัยประสบการเราก็เลยรู้ว่าไฟอันตรายไฟนี้ทำให้เกิดทุกข์นะมันไม่ใช่รู้จากการคิดแต่มันรู้จากการประสบสัมผัสถึงที่สุดของความทุกข์นะคือนิพพานเนี่ยนะมันก็อาศัยจากการรู้โดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะ รู้กับความคิดนี่รู้กับคิดนี่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะหลวงปู่ดูลณนะ่าเคยบอกไว้ว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงจะรู้นะแต่ว่าต้องอาศัยคิดนะถึงจะรู้ได้นะอันนี้ฟังดูก็ก็ดูงงๆแต่ที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเช่นเราจะรู้ทันไอเราจะรู้ทันไออารมณ์หรือกิเลสเนี่ย มันไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการที่เราปฏิบัตินะจกนกระทางสติเราพัฒนาแล้วก็รู้ทันรู้ทางมันแล้วพอดูมันบ่อยๆให้ไม่บ่อยๆเกิดปัญญานะก็รู้ว่ามันเป็นของหลอกเป็นของหลอกของลวงนะไอการที่รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาศัยคิดเนานะคิดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรู้ทันความโกรธ นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นธรรมชาติของความโกรธไดนะ้แต่ว่าเราจะรู้ถึงธรรมชาติของมันอย่างลึกซึ้งนะก็ต้องอาศัยการคิดด้วยการคิดก็คือ ก, า, การได้ฟังครูบาอาจารย์การได้อ่านนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านสอนเรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจังทุกขังเนี่ยพอมีเชื่อแห่งความคิดนะแล้วก็ได้ไปเจอมันบ่อยๆเกิดการเรียนรู้ด้วยสติ แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้มันี้ือเกิดการรู้อย่างแท้จริงนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ขอให้เราลองนะตั้งตั้งสติให้ดีว่าให้การที่เราเจออารมณ์บ่อยๆนะโดยเพราะอารมณ์ฝ่ายอากุศลเนี่ยมันต้องทาให้เราฉลาดขึ้นนะโดยว่าฉลาดในเรื่องของอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องฉลาดเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าเจอมันครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเรากลับโง่ลง แล้วก็มันกลับมีอุบายหลักแหลมเล่นงานเราได้ถีขึ้นบ่อยขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าเนีเสียเนีเสียชาตินีที่มาเกิดเป็นเป็นมนุษย์นะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เกิดการเรียนรู้ทั้งที่เจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะบางทีก็น่าละอายนะอาอายสัตว์เนี่ยมันยังเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่เกิดกับมันถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นทุกอย่างกับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับมัน เราก็ต้องทำให้ดีกว่ามันด้วยเนยเอาละชาวนี้เอาค้าเดียยพุทธนี้เอากรับับ